เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรรณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 15, ส5หเสิงหาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างความสุขให้แก่จิตใจเพื่อมาตัดเพื่อมาลดความทุกข์ความวุ่นวายใจให้น้อยลงไปด้วยการบำเพ็ญด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรูถึง ความจริงของความสุขและความทุกข์ของชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนได้พบถึงความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปอนอยู่ เป็นความสุขล้วนๆและเป็นความสุขที่ถาวรต่างกับความสุขของพวกเราที่เป็นความสุขที่ครุกคล้าไปกับความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ถาวรสุขได้เดียวๆแล้วก็หายไปแล้วก็มีความทุกข์มาแทนที่มีความอยากมีความหิว มีความต้องการมาแทนที่ไม่เคยพบกับความอิ่มความพอเลยนี่คือความสุขที่พวกเรามีอยู่นีจะจะเรียกว่าเป็นความสุขมันก็ไม่เชิง ม, มันจะเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เหยื่อนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ตะขอเบ็ดนี้มันเป็นเหมือนความทุกข์ปลาที่หุบเหยื่อก็จะมีความสุขในขณะที่เห็นเหยื่อและได้หุบเหยื่อแต่พอถูกตะขอเกี่ยวตะขอเบ็ดเกี่ยวคอก็จะทุกข์ทรมาร์ฉะนันใดความสุขต่างๆในโลกนี้ ก็เป็นเหมือนกับเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดคือมีความสุขอยู่เพียงนิดเดียวแต่มีความทุกข์อยู่มากกว่าหลายร้อยเท่าเป็นความทุกข์ของตะขอเบ็ดที่เกี่ยวคอพวกเราทุกวันนี้มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความทุกข์กันบ้างความทุกข์ใจนี้มีกัน ทุกคนและมีจากสิ่งที่เรามีหรือเป็นหรืออยากมีหรืออยากเป็นกันทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่หรือเราอยากมีหรืออยากเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่เราก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆมีไปนานๆ เป็นไปนานาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นก็อยากมีอยากเป็นพอมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายในใจก็จะเกิดความกระสับกระส่ายกังวลกระวายความกังวลความห่วงใย ห, ห่วงที่จะต้องเสียไปและห่วงที่จะไม่ได้ สิ่งที่ปรารถนามาทั้งๆที่ไม่เคยดูเลยว่าสิ่งที่เคยอยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้มาแล้วมันให้ความสุขมากน้อยเพียงไรและสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วมันให้มากให้ความสุขมากน้อยเพียงไรมันให้ความทุกข์มากน้อยเพียงไร เราจะไม่ค่อยได้ดูที่ใจเรากันเพราะความอยากของเราความหลงของเราจะคอยดึงใจของเราให้ไปมองแต่สิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ตลอดเวลาจนลืมดูตัวที่รับความสุขและรับความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรที่พวกเรา อยากมีอยากเป็นกันอยากรักษาสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นกันนี้ก็เพื่อความสุขไม่ใช่หรือแต่ทำไมเราไม่ดูที่ใจเราผู้เป็นผู้รับความสุขและความทุกข์ว่าเขากำลังได้ความสุขหรือเขาได้ความทุกข์กันแน่เขาเคยได้พบกับความอิ่มความพอไหมเขาเคยอยู่เฉยๆอย่างเป็นสุขหรือไม่ หรือ mm hmm. เขาต้องตะเกียกตะกายไปตามความอยากความต้องการของเราอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ถ้าเราหยุดแล้วหันกลับมาดูใจเราบ้างถามใจเราว่าตอนนี้เรามีความสุขไหมเราก็มีอะไรมากมายอยู่แล้วเราก็เป็นอะไรอยู่แล้วแล้ว การที่จะมีมากขึ้นกว่านี้หรือเป็นอะไรใหญ่กว่านี้โตกว่านี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรทำไมเราไม่ถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงไม่พอสักทีทำไมเราจึงไม่อิ่งสักทีทำไมเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำไมเราต้องไปกว้านหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรื้ ให้ความสุขแก่จิตใจของเราเราลืมไปว่าการที่เราต้องไปตะเกียบตะกายไปดิ้นรนขวนขวายไปกว้านเอาสิ่งต่างๆมานี้มันเป็นความทุกข์เป็นความยากลําบากให้แก่จิตใจเราทําไมไม่เห็นว่าการอยู่เฉยๆนี้มันแสนจะสุขแสนจะสบายกันเนื่อนเป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีเวลา มานั่งดูใจของเรามานั่งหยุดความอยากของเราความหลงของเราที่ไม่เคยให้เรามีโอกาสได้มานดูใจของเราจริงๆเลยว่าใจของเรานี่สุขหรือทุกข์สุขจากอะไรหรือทุกข์จากอะไรกันแน่นี่คือปัญหาของพวกเราพวกเรา จะวิ่งตะครุบเงาอยู่ตลอดเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราก็มีความอยากอันใหม่เกิดขึ้นอีกก็เหมือนกับตะครุบเงาเงาอยู่ข้างหน้าพอเราเดินไปตรงที่เงาอยู่เงามันก็ขยับไปอีกข้างหน้าอีกความเราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่ พอได้มีได้เป็นแล้วก็อยากจะมีใหม่อยากจะเป็นใหม่อีกแล้วได้เงินมา1มื่นหนึ่งก็อยากจะได้แสนหนึ่งได้ตำแหน่งได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพันมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตัวใจนี้เป็นอย่างไรมันก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่มันเป็นในร้อย หรือเป็นนาสิบหรือตอนที่มีเงินเพียงสิบบาทหรือร้อยบาทมันก็ไม่แตกต่างกันตรงไหนมันก็ยังมีความหิวมีความอยากมีความไม่อิ่มไม่พอมีความกังวลกะวายกะสับกระส่ายอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีความวิตกมีความกงังวลมีความห่วง ที่จะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ที่เราไปก้านมาให้แก่ใจนี้มันไม่ได้เป็นอาหารของใจใจมันไม่เคยได้รับความอิ่มความพอจากสิ่งต่างๆที่เราก้านเข้ามากับมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่จะสอนให้เรารู้ว่าอาหารของใจหรือความสุขของใจนั้นอยู่ที่ไหนและความทุกข์ของใจนี้เกิดจากอะไรเพื่อเราจะได้มาสร้างความสุขให้แก่ใจอย่างแท้จริง และให้เรากำจัดความทุกข์ให้มันออกไปจากจิตจากใจให้หมดให้มันหมดไปความทุกข์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดจากการที่เราไปเกิดความชอบความรักในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของต่างๆหรือตาแหน่ง ต่างๆสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่ามันเป็นทุกข์แก่จิตใจมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจเพราะมันทำให้ใจต้องกระวลกระวายกระสับกระส่ายเวลามีก็ห่วงก็หวงและเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจเวลาไม่มีก็อยากจะได้ เหล่านี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ทั้งในขณะที่ไม่มีทุกข์ทั้งในขณะที่มีและทุกข์ในขณะที่สูญเสียไปมันไม่มีอะไรดีเลยกับสิ่งต่างๆที่พวกเราอยากได้อยากมีอยากเป็นกันสู้ไม่มีสู้ไม่เป็นจะดีกว่าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติเป็น ตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็มีเป็นและเป็นอะไรที่สูงกว่าเรามากมายก่ายกองมีอะไรมากมายกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าแต่พระองค์ก็ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขพระองค์จึงสละสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ไปหาความสุขที่แท้จริง ของใจก็คือการทําใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไม่ให้กังวลไม่ให้หวาดวิตกกับเรื่องราวต่างๆนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของใจและการที่จะได้ความสุขแบบนี้ก็คือเราต้องตัดเราต้องละความยึดติด ในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆในลาบในยศในสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่พวกเราขวนขวายสแสวงหากันอยู่ทุกวันแทบเป็นแทบตายตื่นขึ้นมาก็ต้องตาลีตาลานรีบแต่งเนื้อแต่งตัวรีบออกไปทำมาหากิน พอได้เงินได้ทองก็ต้องไปขวนขวายหาที่ใช้เงินใช้ทองไปเหนื่อยกับการซื้อสินของต่างๆมาไปเหนื่อยกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอทำเสร็จแล้วก็อยากจะกลับมาบ้านมานอนมาพักผ่อนเพราะเหนื่อยเลือเกินเหนื่อยจากการต้องไปซื้อของต่างๆมาเก็บไว้เต็มบ้านไปหมด เหนื่อยกับการที่ไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอได้ทําแล้วก็อยากจะกลับมานอนที่บ้านแล้วมีตอนนี้เท่านั้นแหละ ท, ท, ที่อยู่เป็นสุขได้แต่อยู่ได้เดี๋ยวเๆเพราะไอ้ความอยากนี้พอมันได้พอมันได้พักผ่อนเต็มที่แล้วมันก็เกิดกําลังอยากขึ้นมาใหม่ ก็ต้องกลับออกไปตะลีตาลานไปหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้มาใช้มาซื้อสินต่างๆเอกเราก็ทําอยู่อย่างนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องมาแบกกองทุกจากการที่เกิดความอยากหรือเกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความ เสียใจเวลาที่ไม่ได้ตามความอยากเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธแค้นผู้อื่นที่เป็นเหมือนอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้ได้สิ่งที่ตนอยากนี่เป็นเรื่องของความหลงความอยากที่หลอกให้ใจให้วิ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปต่อไปไม่มีวันซิ่งสุขเพราะเราไม่เคยรู้ว่ามีความสุขที่แท้จริงอยู่และวิธีหาความสุขที่แท้จริงนี้หาอย่างไรเราก็ไม่รู้กันมีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนแรก ที่รู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นคนนำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันได้พบกับความสุขที่แท้จริง mm hmm. เช่นพระอารหันตสาวกทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว mm hmm. เขาก็ ปฏิบัติตามถ้าเขาได้ละได้ตัดสิ่งต่างๆภายนอกแล้วเช่นนักบวชในรัฐที่อื่นเขาก็ได้ตัดวัตถุเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆเขาได้ตัดลาบลดเสริญสุขแล้วแต่ใจของเขาก็ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอเจอก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราว ในขณะที่นั่งทำจิตให้สงบแต่พอออกจากความสงบแล้วใจของเขาก็ยังตะเกียบตะกายยังอยากได้นั่นอยากได้นี่บางคนก็อยากไปในทางที่ผิดพราะถูกสอนใปในทางที่ผิดเช่นองคุลิมานเป็นตัวอย่างองคุลิมานก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยามถาวร องคุลีมานเคยมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่รู้ว่านี่ยังไม่ใช่เป็นสุขที่ถาวรอยากจะให้มันถาวรก็เลยไปศึกษากับอาจารย์แต่พอดีไปมีปัญหาอาจารย์เลยไม่ชอบองคุลีมาน ก็เลยหลอกให้องคุลิมาว่าถ้าอยากจะพบกับความสุขที่ถาวรต้องไปฆ่าคนถึง 1,000 พันคนด้วยกันองคุลิมานก็เลยเชื่อก็เลยออกไปฆ่าคนเพื่อที่จะทําให้ตนได้พบกับความสุขที่ถาวรฆ่ามาแล้ว999คนเหลือเพียงคนเดียว พอดีมาพบพระพุทธเจ้าก็เตรียมตัวที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าพอเห็นพระพุทธเจ้าก็วิ่งไล่เลยแต่วิ่งไล่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถวิ่งตามพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิปาทิหารทำให้องคุลิมารเหมือนกับวิ่งตะคุกเงาวิ่งเร็วเท่าไหร่เงาที่องคุลิมาคือพระพุทธเจ้า ก็จะวิ่งเร็วกว่าเสมอจนเหนื่อยจนรู้ว่าไม่มีทางที่จะไล่พระพุทธเจ้าทำจึงหยุดแล้วทรงแล้ว ก, ก็ตะโกนพูดไปว่าทาไมท่านไม่หยุดเราวิ่งตามท่านแทบเป็นแทบตายทำไมตามท่านไม่ทำพระพุทธเจ้าก็เลยสอนหรือออกอุบายตอบไปว่าเราหยุดแล้ว เธอต่างหาที่ยังไม่อยู่องคุลิมาลก็เลยแปลกใจว่าหยุดได้ยังไงก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งตามอยู่ขนาดนี้แล้วยังตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเราไม่แสวงหาอะไรแล้วทั้งสิ้นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การดับ ความอยากความต้องการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ์ความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์หรือทำลายความสุขที่ได้จากการทำสมาธิให้หมดไป พอองคุิมาฟังก็เกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แล้วว่าตนเองนั้นเดินทางผิดแทนที่จะตัดความอยากกับสร้างความอยากขึ้นมาแล้วก็ทำตามความอยากนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้พบกับความสุขเลยจึงเกิดความศรัทธาความเคารพในพระพุทธเจ้า ถึงกับฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาและพยายามปฏิบัติจนสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของตนได้ได้พบกับความสุขที่ถาวรอย่างแท้จริงอยู่ในใจของตนอยู่ในใจที่ตัดความอยากต่างๆได้ การสละสิ่งต่างๆให้หมดไปแล้วนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการกระทำทานั้นมันยังไม่ได้ไปตัดความอยากที่มีอยู่ในใอยู่ในใจถึงแม้เราจะตัดความโลภตัดความอยากในลาภในยศในสรรเสริญในสุดแล้วก็ตามแต่มันยังไม่ตายไปจากใจมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ส่งเสริมมัน แต่มันยังลิ้นอยู่ในใจและวิธีที่จะทำลายมันให้มันตายได้ต้องเกิดจากการภาวนาต้องเกิดจากการทำจิตให้สงบและเมื่อจิตออกจากความสงบแล้วต้องสั่งสอนจิตให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตไปอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้น มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนงูพิษมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นงูพิษหรือเป็นระเบิดเวลาเราอยาอยากเข้าใกล้มันหรือไม่เรายังอยากจะได้เอามาเป็นสมบัติของเราหรือไม่แต่นี่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันว่า สิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นมันเป็นเหมือนงูพิษเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอเวลาที่จะระเบิดหรือรอเวลาที่จะกัดเราให้ทุกทรมานใจสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือข้าวของต่างๆเวลาเราอยากได้นี่เราจะเห็นว่ามันดีอย่างเดียวแล้วไม่เคยคิดว่ามันไม่ดีเลย แต่พอได้มาแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดติดตะขอเบ็ดแล้วดิ่นไม่หลุดแล้วพอได้มาแล้วก็ละไม่ได้ตัดไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนคืนไม่เข้าคลายไม่ออกพอได้งานได้การได้ตำแหน่งแล้ว ถึงแม้จะทุกข์วุ่นวายใจขนาดไหนก็ตามก็ลาออกจากงานไม่ได้กลัวอดอยากกลัวไม่มีหน้ามีตากลัวไม่มีอํานาจวาสนาเวลามีงานมีตําแหน่งรู้สึกว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีอํานาจวาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็มีความทุกข์มีความ ก, ากาาังวลกังวลมีความเครียดต่างๆนาน า, น า, นาน รุมเ้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เขาพูดกันว่าพอขึ้นขี่หลังเสือแล้วลงจากหลังเสือยากเพราะกลัวเสือมันจะกัดเอาคนที่ร่ำ่วยแล้วคนที่ได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วคนที่ได้เสกความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอย่างสม่าเสมอจะ ตัดสิ่งเหล่านี้ไปนี้ไม่กล้าตัดเพราะมันทุกข์ทรมานใจถึงแม้ว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่นี้จะทุกข์ทรมานใจขนาดไหนก็ไม่กล้าตัดมันกลัวว่าจะทุกข์ทรมานใจยิ่งกว่าแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วว่ามันไม่ทุกข์ เท่ากับการที่ยังหลงติดกับมันอยู่ยังติดอยู่กับมันว่ามันจะติดไปตลอดอนันตกาลเลยไม่แต่ไม่ใช่แต่ภพนี้ชาตินี้ตายไปเกิดไปภพหน้าชาติหน้าก็กลับไปทุกกับมันใหม่เคยทุกข์อย่างนี้มาแล้วนับไม่พบนับไม่ท่วนและจะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อ ย, อยแต่ถ้ายอมทุกข์ทรมานจากการที่ละจากการที่ตัดมัน มันก็เพียงช่วยะยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับพระพุทธเจ้าก็เพียงหปีเท่านั้นเองท่านก็หายขาดจากความทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ตัดก็ยังจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์ไปจนแก่ตายก็เวลาก็หลายสิบปีแล้วหลังจากนั้นก็ไปเกิดใหม่ก็กลับมาทุกข์ใหม่ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีไรก็จะมาทุกข์แบบนี้ทุกข์มากทุกข์น้อยแต่ต้องทุกข์อยู่เสมอเพราะเราอยู่ในโลกของความทุกข์นั่นเองเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นมันจึงไม่ทําให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจอยู่ตลอดเวลาเวลาอยากได้อะไรพยายามมองดูให้เห็นความทุกข์ที่ในสิ่งที่เราอยากได้มันมีอยู่เสมอดูว่ามันไม่เที่ยงก็รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ลวได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดีเดี๋ยวเดียว พอมันเก่าแล้วมันก็ไม่ดีแล้วหรือใจของเราก็เปลี่ยนไปก็ได้เวลาเราอยากได้อะไรนี้รู้สึกว่ามันมนแทบจะขาดใจถ้าไม่ได้มันมาพอได้มันมาแล้วสักวันสองวันก็ไม่สนใจมาแล้วมันจะมีมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลเพราะมันไปอยากได้สิ่งอื่นแทน แต่มันก็ยังหวงสิ่งที่ได้มาอยู่ใครมาข อ, อก็ไม่ให้ใครมาโวยขโมยไปก็เกิดความโกรธแค้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเวลาที่เราอยากจะได้มันเราจะเห็นแต่ส่วนที่ดีของมัน เราจะไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีของมันเราจึงต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆดูคนดูคนอื่นเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเรามองไม่เห็นดูพ่อแม่เราเป็นตัวอย่างดูคนที่เขาแต่งงานกันแล้วต้องทะเละเาะบอกแววงกันต้องโกรธกันเกลียดกันหรือถ้ารักกันก็ต้องมามากังวลมาห่วงกันมาเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่ต้องพัดพลากจากกันเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ให้เราเห็นทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ค่อยได้มองกันเรามองแต่ส่วนที่เราชอบมองส่วนที่เราไม่ชอบมองนี้เราไม่มองเลยเราจึงถูกความหลงหลอกให้เราไปตะคุบเหยื่อที่ปลายเบ็ดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆเราก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วเรามีอะไรเราก็ควรที่จะลดมันตัดมันออกไปเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นแล้วพยายามสร้างความสุขทางด้านจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยการนั่งสมาธิ ด้วยการเจริญปัญญาพอเรามีความสุขทางใจมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีกำลังที่จะตัดที่จะละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบรถสรละเสริญได้มากขึ้นจนในที่สุดเราก็จะสามารถตัดทุกอย่างได้อยู่แบบนักบวชได้ถ้าไม่ได้ออกบวชถ้าอยู่ยังต้องอยู่กับบ้านก็อยู่เหมือนนั่งบวชได้ อยู่แบบสมมาทัเรียบงา่ายอยู่แบบนักน้อยสังโดนอยู่แบบไม่มีอะไรในบ้านนี้จะเป็นเหมือนกับที่พักอาศัยของนักบวชไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆไม่มีเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกต่างๆเพราอใจที่มีความสุขมีความสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลําบาก ทางร่างกายจะรู้สึกว่ากลับสบายเสียอีกที่ไม่ต้องมาคอยดูแลไม่ต้องคอยไปหามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยถ้าเราต้องมีสิงงส่งนั้นสิ่งนี้คอยบํารุงบารเอพอมันหมดเราก็ต้องมาหามันมาใหม่พอมันหมดเราก็ต้องหามันมาใหม่แล้วเวลาที่เราต้องดูแลรักษาบ้านช่องก็ ลำบากเพราะมีข้าวของมากมายที่ต้องคอยดูแลรักษาถ้าเราไม่มีอะไรเลยเช่นในห้องเรามีแต่หมอนกับเสื่อายเดียวแสนจะสบายเวลาจะกวาดจะถู ก, ก็ง่ายก็เร็วไม่ต้องเสียเวลามีเวลามานั่งทำจิตให้สงบมีเวลามาสั่งสอนใจให้หายจากความหลงให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความทุกความกังวลใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่แหละคือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจการกําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจพวกเราทุกคนสามารถทํากันได้ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นคารวาดหรือเป็นนักบวชสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นการพบความสุขที่แท้จริงการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่สิ่งที่ขวางกั้นก็คือความโลภความโกรธความหลุนของเรานี้เองความขี้คลาดความหวาดลัวกลัวความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องตัดความสุขต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดลาบยกรสรรเสริญเท่านั้นเองที่เป็นอุปสรรคเป็นเหมือนกับคนที่เหยียบน้ำแล้วก็ไม่กล้าที่จะบ่งน้ำออกจากเท้าเพราะกลัวมันเจ็บแต่ยอมทนเดินเหยียบน้ำแล้วเจ็บกบมันไปเรื่อยๆ สู้ยอมทนบ่งน้ำหรือผ่าเนื้อแล้วเพื่อดึงหนามออกมาซึ่งมันก็เจ็บเพียงเดียวเดียวอีกสักวันสองวันมันก็หายเจ็บแล้วไม่ดีกว่าหรือนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆของพวกเรามันเป็นหนามที่บก้นาที่ทิ่มแทงจิตใจของเราแต่เราไม่กล้า บ, บ่งมันออกมาไม่กล้าดึงมันออกมากลัวมันจะเจ็บ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเจ็บไปตลอดเราก็จะต้องทุกข์ไปตลอดถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องกล้าที่จะถอนมันดึงมันออกมาจากจิตจากใจหนึ่งกิเลสคือความโลกิกความปวดความหลงออกมาจากใจอย่าไปเสียดายมันมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษต่อชีวิตจิตใจของเราถ้าเราดึงมันออกมาแล้ว เราจะพบกับความวิเศษความสุขที่วิเศษที่สุดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เจอกันได้มีไว้เป็นสมบัติมันก็จะเป็นสมบัติของพวกเราต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความศรัทธาอย่างแก่กล้ากล้าที่จะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างกล้าที่จะประพฤติปฏิบัต ตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะได้หนกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้